นักสัมภาษณ์นักศึกษาปัญยาดูดีมันดิบนะมาวิไลอิเซนเอเซียเจ้าวาดวัดเนิไลเจ้ากนัตตบนน้ำวงเพื่เป็นยาจังหวัดจัดชันสาวครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาพบกานสำหรับสารทิศาโลที่เป็นภาคที่ผมเป็นไอต้อนของผมที่ได้อ่านบทความของท่านหลายๆอันหนังสือ ห, หลายเล่มที่ผนะ่านมาก็ผมและพระวิจิตรก็ได้เห็นว่าควรจะมา สอบถามแนวความคิดในด้านวิชาการต่างๆหรือว่าพระพุทธศาสนาในทศวรรทศวรหน้าตามที่ท่านเขียนบทความมาที่ผ ม, เ, ามาเจอนะครับวันนี้ก็งานวิจัยของผมก็คือเรื่องการบริหารจัดการด้านการเผยแพร่พุทธศาสนาเพื่อความเป็นเลิศของคณะสงฆ์ภาคสุขสองนี่นะครับว่าทังมหาวิทยาลัยให้ผมได้ทาเรื่องนี้ตามอนุมัติของมหาวิทยาลัยก็ ก็คําสัมภาษณ์มีของผมมีประมาณสี่ประเด็นครับทัานทนสี่ประเด็นอืครับาท่านก็แนวตามแนวความคิดของพระเดชพระคุณท่านหนาะว่าสภาพการบริหารจัด ก, การด้านการเผยแพ่พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้เป็นอย่งางไรครับในแนวความคิดของท่านสภาพการบริหารการจัดการด้านเผยแพ่ในปัจจุบันนี้ท่านมีความเห็นอย่างไรครับในภาพรวมใช่ไหมฮ ะ, ะก็เรียก ว, ว่า เป็นไปแบบต่างคนต่างทําแล้วก็ไม่มีการประสานร่วมมือหรือว่าการาวางแผนันเท่าไหร่นะแล้วก็การสนับสนุนส่งเสริม ในเชิงเป็นในเชิงระบบก็ก็มีน้อยครับแต่ชื่สำคัญคือว่าฐานที่จะส่งฐานที่เป็นเป็นตัวส่งเสริมเนี่ยเป็นตัวรองรับการเผยแพร่เนี่ยก็ค่อนข้างอ่อนด้วยฐานที่ว่านี่คือการศึกษาคณะสง์นะอันนี้ก็มันทำให้ การเผยแผร่พุทธศาสนาเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยประสบผลเท่าที่ควรอันนี้ น, นะท่านเห็นว่าการบริหารจัด ก, การโดยที่มีมหาเถรสมาคมเ อ, อเป็นผู้กํากับนโยบายในยเรื่องการบริหารท่านเห็นว่ามหาเถรสมาคมเนี่ย ได้ส่งเส ร, ริมในเตรียมที่มีกําลังสามารถที่จะผลักดันการเผยแพร่ให้กระสงฆ์ดำเนินต่อไปได้อย่างไรครับที่ว่าได้น้อยทําได้น้อยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้คิดจริงจังในเรื่องนี้ก็ทําแบบเรียกว่าไม่มีข้อมูลสนับสนุนและที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ชงเรื่องก็เป็นสําหรับพุทธมากกว่าความคิดริเริ่มของหมหาเถรสมาคมก็มีน้อย ส่วนใหญ่ก็มาจากการริเริ่มของหรือการชงเรื่องของสำนับพุทธมากกว่าว่านี่เป็นปัญหาของมาดเชนโดยตรงเลยนะก็คือว่าหนึ่งเนี่ยไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคณะสงฆ์ของตัวเองถามว่าตอนนี้เนี่ยเอาว่าพระตอนนี้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ มาเชนสมาคมมีข้อมูลไหมที่อัปเดตเนี่ยก็ไม่มีของตัวเองต้องอาศัยพอสอใช่ไหมฮะ <c oughs> คือเพราะฉะนั้นเนี่ยอเรื่องการเผยแพร่ที่เป็นที่เปนเนื้ยอใบต่างๆมาเนี่ยผมก็เห็นว่าก็ไม่ได้คิดจริงจังเท่าไหร่แล้วก็สิ่งที่คิดไปก็ไม่มีผลในเชิงปฏิบัติเพราะว่าต่างคนต่างทํา เอจริงเนี่ยอยาว่าการเผยแพร่เลยทึ่เรื่องที่คัญกว่านั้นคือเรื่องการศึกษาคณะสงฆ์เนี่ยก็เป็นลักษณะของต่างคนต่างทําครับพุดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะไม่ไม่ใช่มาไม่ใช่ระดับมายอะไรก็คือว่าให้แต่ละัดว่ากันไปเองเช่นนักธรรมนักธรรมก็แต่ละวัดก็ว่ากันไปเองคณะสงฆ์แค่จัดสนามสอบให้สนามสอบใช่ไหมฮคือขนาดขั้นพื้นฐานเนี่ยไม่ต้องพูดว่าขั้นที่สร้างบุคลากรที่จะทําเผยแพร่เนี่ย ก็ก็ไม่ได้ทําอะไรจริาจังจริงจังนะครับก็การสอบหรือว่าการต่างๆก็น้อยลงข้อสอบต่างๆที่ออกมาเมา่อวานนะักทำตีทำโดทําเอนขนันก็ก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็ได้ย่นย่อนักเรียนก็เรีนยนที่สอบทุกปีที่ผมเป็นกรรมาการข้อสอบประจเาเดอนแปรงย่าวนก็ก็ตอบกอนสั้นๆเมือนตอบเขียนตอบแบบสั้นๆพอได้ใจความหรือไม่ได้ใจความ นี้ผมก็เห็นด้วยเพราะว่าการส่งเสริมการศึกษาของสงฆ์เนี่ยเราดูแลตามที่ท่านเคยเขียนในบอกควา ม, มนะครับผมเห็นด้วยในตัวคล้องกับในความคิดแล้วก็การศึกษาของสงฆ์เนี่ยขาดการสนับสนุนจาก เ, เช่นที่ท่านคิดว่าวัดต่างๆที่มีฐานะมีการเงินดีฐานะร่ารวยว่าต่างๆเนี่ยก็ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่ได้สนับสนุนวัดเล็กๆที่สามารถที่จะ ส่งเสริมให้คณะสงฆ์ในการรับการศึกษาก็มีน้อยก็มีน้อยมากที่จะให้ให้ทุนการศึกษาของวัดในชนบทเช่นอยงผมเนี่ยวัดในเขตอำเภอแงยาก็เป็นวัดยากจนคณะสงฆ์เราก็ได้รับการศึกษาเหมือนท่านว่าไม่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรโดยเฉพาะเจ้าวาน ในดับเจ้าว่านี่ยการศึกษาก็มีแค่นักทำตีทำเถิดทำเอกก็หาหน้อยและทางทั้งโลกก็อย่างสูงสุดก็มัธยมนะครับ<ม>คือปัญหาอย่างหนึ่งในการศึกษาของสงในที่เฉพาะกลุ่มที่ผมมองเห็น<ม>นะครับฉ<ม>ะนั้นการเผยแผ่จะเป็นไปอย่างไรครับในเนื้อคณะสงฆ์เราการศึกษาเนี่ยยังยังขัดตัวบกพรองอยู่ถ้ารทามีวิธีอย่างไรบ้างที่จะ ทำการเผยแพร่ให้ได้กระจายกว้างมากกว่านี้อต้องเริ่มเฉพาะจุดเฉพาะที่ก่อนยกตัวอย่างเช่นสมมุติจังหวัดเริ่มเผยแพร่นะแล้วก็เริ่มต้นที่จะให้มีนโยบายการเรยผรยแพร่เป็นจริงจังนะแล้วผมคิดว่าคงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครวาวาสจริงจริงเนี่ยอปตอเนี่ยนะ น่าจะมามีบทบาทเรื่องนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกเกี่ยวกิจการศาสนาวัฒนธรรมผมเคยคิดว่าถ้าสมมติว่ามันมีมันมีองค์กรองค์กรคารวะานะหรือว่าเอาเงี้ยไม่ใช่องค์กรคารวาดคือเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์กรสูงในพื้นที่กับคารวาดคารวะาอย่างเป็น อ, อปตอรหรือว่า หน่วยงานหรือหน่วยงานที่มูลนิธิต่างที่มีความรักรักบ้านเกิดเมืองนอนรักศาสนามาทำให้เป็นสภาแล้วก็ทำกันในระดับอำเภอจังหวัดใช่ไหมเพราะว่าอย่าไปคิดถึงระดับประเทศเอาแค่เอาแค่ทำให้คนในท้องถิ่นเนี่ยเกิดความตื่นตัวเรื่องพระศาสนาเพราะตอนนี้หลาย หลายหลายท้องถิ่นก็มีปัญหาเรื่องขาดพระพระไม่มีคุณภาพแต่ไหมอันนี้ก็ชินั่นกจะแก้ปัญหาเรื่องการมีพระประจําในวัดแล้วก็ทําให้ญาติโยมก็มีความรู้ความเข้าใจพุทศาสนาพวกการเผยแพร่เนี่ยมัน ต, ต้องเริ่มที่ทิ้งนี้แล <Okay. S 2> นะเริ่มต้นที่ท้องถิ่นนะ <Okay. S 2> แล้วก็การเผยแพร่เนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีเรื่องการ ขรอบคลุมทั้งปริญญาและปฏิบัติ ด, ด้วยนะตอนนี้เนี่ยเราเน้นการเผยแพร่ที่เป็นสื่อมากขึ้นแต่ผมว่าก็ยังเป็นเรื่องรองนะสื่ออิเล็กทรอนิกส์อนะไรพวกนี้หลายวัดเขาก็ทำโทรชัดอะไ ร, รต่างเคเบิลแต่ว่าผมว่าก็ยังไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับการ <c oughs> การเผยแพร่ในท้อง <c oughs> การเผยแพร่โดยระหว่างตัวบุคคล ในรูปของการอบรมการให้การศึกษาที่โดยทั่วไปการเผยแผ่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยโดยการนํารูปสักการะของศาสนาอื่นมาอยู่ในวัดเนี่ยเป็นจนํานวนมากหลายท้องถิ่นโดยเฉพาะจังหวัดผมจังหวัดจัดนทบุรี่อํเาเภอเมืองจังหวัดเดียวเนี่ยมีรูปสักการะของศาสนาอื่นมามากมายเลยเขารียกว่าเป็นการเผยแพร่ ครับเป็นทั้งปีกนกเทศป็นมากมายทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กองค์มากมายเยอะเกินเป็นนิย่าโยมก็สับสนอันนี้มันไม่ใช่เผยแผ่นะฮะอันนี้มันการบริการญาติโยมมากกว่าครับมองในแง่ดีก็คือบริการตอบสนองความต้องการของญาติโยมมองในแง่แย่คือว่าหาเงินใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เผยแผ่นะคือพอไปถามเจ้าว่าเจ้าว่าบอกเนี่ยแหละวิธีดึงคนเข้ามาเพื่อที่จะเผยแผ่พระกระต่ายันนั้นโอเคก็มาดึงมาเข้าวัดใช่ไหม แล้วเราก็สอนธรรมะเนี่ยโอเคแต่ว่าไม่ใช่ว่าดึงมาแล้วให้เขามากราบไหว้รูกขอนรแล้วก็จบเนี่ยใช่ไหมน่าจะเป็นข้ออ้างาะเออคือถ้าดึงมาเนี่ยมันดึงมาเพื่อให้เพื่อมาหาเราแล้วเราก็สอนธรรมะเออเ น, นี่ยนะอันเนี้ยเรียกว่าเป็นสื่อแต่มาแล้วก็เราก็ไม่ทําอะไรก็อาจจะเก็บเงินเนี่ยไม่ใช่มันก็เป็นข้ออ้างครับนี่คือเป็นปัจจุบันนี่ก็คือทีนี้เป็นปัญหาอย่างทำกันเยอะไง มันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นสายาพานิดมากกว่ามันไม่ใช่เผยแผ่ถ้ามีความเข้าใจผมอธิษฐานว่ามีความเข้าใจคลายเครืงตั้งแต่แรกแล้วว่าเกิดเผยแผ่นี่เป็นอย่างนี้นการเผยแผ่ไม่ได้แปลให้คุณเข้าวัดคุณจะจะไปนอกวัดก็ได้ไปเผยแผ่เขามีธรรมะใช่ไหมจะไปเทศที่ห้างสรรพสินค้าก็ได้แต่ว่าเผยแสงธรรมะเออไม่ใช่ว่าต้องให้เขาให้มาวัดใช่ไหมไม่ต้องมาวัดก็ได้เราไปหาเขาเผยแผ่ที่ผมคิดว่านะ เผยแผ่ปัจจุบันนะมันต้องออกไปนอกวัดด้วยจะให้คนเข้าวัดนเนี่ยยากถ้าให้คนเข้าวัดก็ต้องใช้วิธีนี่แหละลอ่อล่อดยอามิตรท่านเรื่ยคือว <he> ิีผิดทางท่านเห็นด้วยเถอะแม่ว่าปัจจุบันนี้มีครวาวาสทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยมาตั้งสํานักกันที่อำเภอผมข้างๆอำเภอเป็นยาวอำเภอสนามช้เขตทัาตะเกียบเนี่ยก็มีสํานักปฏิบัติทำต่างๆคือขึน้นโดยมีฆราวาสมาเป็นผู้นําตรงนี้ท่านเห็นว่า ่ส่วนนี้เป็นการช่วยกันช่วยเราเผยแผ่หรือไม่ครับมันเป็นไปได้สองทางนะฮะก็คือว่าเป็นการช่วยเหลือพระแล้วพราะพะักตอนนี้เนี่ยไม่สามารถจะสื่อสารหรือเผยแผ่ทำมาให้โยมเข้าใจได้แล้วก็มีพระกลุ่มจํานวนไม่น้อ ย, อยที่สามารถจะเผยแผ่ทำมาให้ญาติโยมเข้าใจได้เพราะตอนนี้นมันก็มันก็เป็นอย่างนี้นะเพราะว่าคารวามีความรู้มากขึ้นคารวามีความเข้าใจเรื่องปริัญาตรีบัติมากขึ้นก็ ถ้าสอนตรงตามหลักวิทธศาสสนานะฮะผมว่าเป็นเรื่องดีเป็นการช่วยพร ะ, รพระแต่ถ้าเกิดว่าสอนนอกแนวนี้น่าเป็นห่วงปัจจุบันก็ดี ก, ก, ก็อยู่ในอยู่ในขอบเขตอยู่ผมก็ที่เข้าสังเกตดูก็ที่ปัจจุบันนี้ก็คนไปกรรันมากคือโพธิโพธิวนาที่ส น, <S <S นมชัยเขตนะครับก็ใครเป็นอาจารย <S <S ์ก็เป็นผู้หญิงนะคัผู้หญิงคือมันเป็นมาเป็นงี้ทั่วโลกนะคือว่า พุทศาสนาเนี่ยมันก็คารวะมีบทบาทมากขึ้นครับนะเพราะคารวะมีความรู้มากขึ้นตอนนี้ถ้เกิดว่าและในส่วนนึงมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าชาวบ้านจํานวนมากเนี่ยก็รู้สึกมีช่องว่างกับพระ ช, ช่องว่าในที่นี้คือช่องว่างชแงยังไงแบบสื่อกันภาษากันได้ยากขึ้นหรือว่าอาจจะถึงขั้นเสือส่อมศรัทธาแล้วก็ไปไปหาคารวะที่เป็นอาจารย์ มากกว่าคคุยกันรู้เรื่องคแล้วก็ก็เห็นว่าเออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับเอ้ปัจจุบันนี้เป็นเ อ, อาสถาอ่อาสำนักปฏิบัติทํานี้เกิดขึ้นมากมายสดคล้องกับที่ท่านพระอาจารย์เคยเขียนไว้ในพระพุทธศาสนาหนึ่งช่วสมัหน้ามันก็เหมือนที่ออกมามันเหมือนกันเหมือนเลยที่ตามแนวความคิดก็มีคาอวตปาต่างๆางมากมายเนี่ยแต่ผมก็เลยถามว่าเป็นการช่วยกันเผยแผ่ อ, อที่ช่วยพระสงค์ในการเผยแผ่เนี่ยมันมันถูกต้องหรือไม่หรือว่า อ, อท่านนิมแนวความคิดอย่างไรที่ว่าผู้หญิงในสำนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นจํานวนมากในขณะนี้จะเป็นผลลบหรือผลบวกมากกว่าถ้าถ้าถ้าเผยแผ่ถูกต้องผมว่าก็เป็นผลบวกนะถือว่าเป็นผู้หญิงเป็นคาราว่าผมว่าเพราะว่ า, า, วา อ, อใครจะเผยแผ่ก็ตามจะขอให้ มันได้เกิดทำมาจริงๆกับกับผู้เรียนครับครบัข้อสองครับข้อสองในความคิดของท่านว่าปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการด้านการเผยแพ่ air, พระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรครับปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะครับปัญหาสําคัญก็คือว่าบุคลากรคุณภาพของ <mith. S 1> บุคลากรไอ้เรื่องปริมาณเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะน้อยไม่เป็นไรแต่ว่าคุณภาพ คุณภาพคือว่าความรู้ความเข้าใจพื้นศาสนาเนี่ยมีน้อยคุณภาพมีชื่ไม่ได้เป็นว่าความรู้อย่างเดียว น, นะหมายถึงการปฏิบัติด้วยอาจจะจบประโยคเก้าแต่ว่าแต่ว่าปฏิบัติตัวไม่เรียบร้อยหรือว่าไม่สงบนะไม่เรียบงานก็มันก็เป็นปัญหาในการเผยแพร่เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องบุคลากรสําคัญแต่บุคลาเรื่องคุณภาพคนเนะี่ย แต่คุณภาพของคนก็มันก็โยงกับเ ร, รืนะ่องการสาธารณสุขนี่คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังข้างหน้าคือว่าบุคลากรเนี่ยหรือคุณภาพเนี่ยมีแต่ว่าขาดการรวมร่วมมือกันมันก็เกิดปัญหาบางการประสานกันมันมีน้อยมันก็เกิดปัญหาตัวใครตัวมันอหรือในอเมริกาเนี่ยนะเขามีอาจารย์เก็มีสํานักเยอะเลยนะ แต่เขามีการประชุมทุกปีพวกครูบาอาจารย์เนี่ยนะคเพราะประชุมกันทุกปีหรือทุกสองปีเนี่ยนะมันก็ทําให้การเผยแพร่นมีเอกภาพเอกภาพในความหมายที่ว่าไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนกับเป๊ะนะแต่ว่ามันมันมีการมันมีทิศทางของเราก็ไม่เคยมีการคุยกันนะต่างคนต่างว่าไปเออ อ, อันนี้มันต้องมีระบบรองรับด้วยนอกจากการที่มันร่วมเลื่อง ร, ร่วมกันต้องมีการระบบรองรับไอ้ระบบรองรับเนี่ยมันต้องมันต้องสร้างขึ้นมาซึ่งมันไม่มีเนี่ยจะไปรอมาเฉยสมารคงไม่ได้จะไปอออรอพสก็ไม่ได้อาจารย์อย่างการการเผยแผร่วัดที่เขาตั้งเขาตั้งเป็นสํานักนะเป็นสํานักสงส์สำนักปฏิบัติธรรมเรยอะเลยตอนนี้นะครับสํานักปฏิบัติธรรม แต่ไม่ค่อยเน้นเรื่องปฏิบัติเท่าไหร่เป็นเน้นหล่อพระเป็นเน้นสร้างอานุสร้างอนีอย่างนี้มันก็ผิดทางอย่ดีไงคือมันมันมันมันผิดทางแต่มันชื่อเห็นว่าคนสนใจปฏิบัติไงก็เลยเอาชื่อปฏิบัติเนี่ยมาเป็นมาเป็นแบรนด์ใช่ไหมเป็นตัวล่อเอ่ไหมมันมันมันสะท้อนว่าคนสนใจปฏิบัติทำแต่ว่าก็เลยเอาเรื่องนี้ชูขึ้นมาเพื่อให้คนนแห่มาใช่ไหมแต่ว่ามาแล้วก็มาแล้วไม่ได้อะไรก็ หาเงินเป็นวิธีหาเงินติดแนวแต่มันสอช้อนว่าคนสนใจปฏิบัติธรรมถึงใช้ชื่อเนี้ในแง่หนึ่างเนี่ยมันก็ต้องพยายามที่จะส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้ให้ถูกซืีอถูกทางเพราะคนสนใจแล้วเขาอยากจะมาแล้วปัญหาที่ท่านว่าปัญหาบุคลากรา ค, กคุณภาพของบุคลากรากปัญหาเรองความร่วมมือกันไม่มีไม่มีระบบรองรับด้วยการรับรอง สิ่งที่เป็นรองรับของการเผยแผไ่ไม่มีไม่มีคือก็มหาเทเล่าคมก็อนแอร์ฮะที่ว่าระดับระดับที่จะรับรองในการเผยเผยเนี่ยมกากๆเนี่ยมันไม่มีที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าหน้าที่สำหักปฏิบัติธรรมในสาคัญในปัจจุบันนี่ก็มีนักรรมกายเรามีอุู่สามพันพระรูปก็มีทั้งบุคลากรมีทั้งเงินทุนต่างๆปัจจัยปัจ ย, ยว่าแนี้ ผมก็ยังยังยังไม่ไม่สนิทใจของการเผยแผ่ของธรรมกายมากนะักว่ามันไปนิทิศทางที่มันเป็นทิศทางของการเผยแผ่เนี่ยมันการเผยแผ่ถูกือว่าวิธีการปฏิบัติบางครั้งมันก็แยง้งตามความคิดของท่านคิดว่าการที่เขาทาอย่างเนี้มันเป็นแนวทางที่เป็นผลบวกนะครับผมว่าเป็นผลลบมากกว่านะแต่ว่าวิธีการเขาน่าสนใจนะครับเพราะว่าหนึ่งการศึกษาเขาเนี่ย เ ข, เขาให้การศึกษาคนให้มีคุณภาพทั้งในแง่ของประยะาปฏิบัติตามแนวของเขาแล้ว ก, การสื่อสารการเทศการเผยแพร่ใชฮะแล้วเขาก็มีระบบแบ็กอัพหลายอย่างนะเช่นช่องโทรชัดอะไรต่างๆนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ศึกษาจากเขา้าใจว่าเขาเผยแพร่ยังไงถึงสําเร็จแต่ว่าไอเนื้อหาที่ยก็ ท, ที่เขาสอนเนี่ยมันผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ทีเราก็เอาเอาเนื้อหาในการเผยแพรแ่วิธีการบริงงรหารองค์กรนี่ต่างเงินแต่ใช้ได้แต่ว่าข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็มันมันขัดแย้งกันอยู่ใ น, ใ, น, ใ, นใช้ได้บางเรื่องแนะบางเรื่องก็ใช้ไม่ได้นะคือใช้ใช้เงินใช้อามบเป็นปตัวร่อหรืออย่างเช่นสมมติเขาจะหาเงินเาจะมีผู้นำบุญเนี่ยนะ ไปเลยียไรมาก็ให้เปอร์เซ็นต์แบบขายตรงใช่ไหมหคนก็ไปหามาแล้วก็ควักเอาเปอร์เซ็นต์ไปมีระดับออระดับเพชรระดับทับทิมแบบนี้ผมว่าเอาอามิตรล่อผมก็ไม่เห็นด้วยนะแล้วการเรยผยแพร่เขาก็มันก็มีอมิตรล่อประเด็นที่สามกบประเด็นที่สาม ตามความคิดเห็นของท่านว่าปัจจัยที่สนับสนุนความสําเร็จในด้านการบริหารจัดการด้านการเผยแพร่ของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างปัจจัยที่ท่านคิดว่าที่จะสนับสนุนความสําเร็จให้เผยแพร่สําเร็จนี่ครับก็เรื่องบุคลากรกลับมาเรื่องเดิมนะเช่นผู้เจ้าเนี่ยสมัยที่เริ่มเนี่ยก็มีแค่หกสิบเนียครับก็คุณภาพก็เป็นร้อยใช่ไหอก็ไปใช่ไหมคุยแค่เดินเนี่ยแค่เดิน อย่างสงบสำรวมนี่ภาคะวันเชีเนี่ยนะกุปฏิศาก็ประทับใจเลยใช่ไหมคือเรื่องทําอะไรนะแค่เดินเนี่ก็เห็นนะ ส, สงบสงี่ยมเนะี่ยคือเพราะว่าตรงเนี้ยแต่ในยุคนี้เนี่ยมันเท่านี้คงไม่พอแล้วนะมันต้องมีสื่อมันต้องมีมีระบบรองรับใช่ไหมะฮะต้องมีการร่วมและร่วมมือร่วมใจสมัยก่อนเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าไปคนละิคนละทางใช่ไหมเนี่ยนี่ก็เป็นการวางแผนไงใช่ไหม มีทิศทางว่าไปคนละทิศแต่เดี๋ยวนี้เราประเภทว่าซ้ําซ้อนกันอะไรกันทำอะไรกันก็ไม่รู้ใช่ไหมครับตีก็มีใไรให้ไปเดียวด้วยใช่ไหมครับไปเดียวได้เพราะว่าท่านถึงแล้วใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่เรายังเ ป, ป็นผู้บเชิญก็ต้องไปแบบร่วมมือเป็น <c oughs> เป็นกลุก <c oughs> ม่มต้องเป็นทีม น, นะครับแล้วผมว่านะมันต้องพึ่งคาราว่าเราจะปฏิเสธคารว่าไม่ได้ะสมัยนี้คาราว่าเขามีมือมีไม้เขามีอะไรต่างๆมากมายก็ต้องเตรียมร่วมมือกันะ ไปไปเป็นแผงม่ใช่ไปแบบตัวใครตัวมันเงี้ยแั่ยังมีจุดหมายนะครับท่านเห็นว่าภาครัฐควรจะมีส่วนอย่างไรครับในการที่จะสนับสนุนพระพุทธศาสนาในการเผยแพร่ภาครัฐนะครับผมว่าการาการมีเงินทุนนะการมีเทคโนโลยี สามารถสับสนุนได้เรื่องเรื่องเรื่องเองินทุนเรื่องเทคโนโลยีเรื่องบุคลากรนะแต่ว่าไม่ต้องมากํากับนะทั้งๆว่าคณะสงฆ์ก็ไปขอความสับสนุนนะให้เป็นแหล่งสนับสนุนนะจุดท้ายแต่ว่าพระสงฆ์หรือว่าผู้เคยแรงเนี่ยอจนะมีเงือนบางรายก็สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มรักษณะของเป็นสภาที่รวมมือระหว่งางพระสงกับคารวะในเรื่องการเผยแพร่ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปนถึงระดับประเทศส่งเสริมในความหมายคือว่าอาจจะมีกฎหมายรองรับนะไม่ปิดกัน้นแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงนะก็คือว่าการพยายามเข้ามาควบคุม การเผยแพร่เช่นตอนนี้มันมีร่างพรบปุบประธรมคุ้มครองวิศาสนาทราบไหมฮะครับเ <Okay. S 1> ช่นก็มีมาตรานี่บอกว่าเนี่ยสอนสอนผิดจากพระเข้าใจปิฎกเนี่ยถูกแอบถูก <c oughs> ถูกปรบับหรือติดคุกได้เข้า <c oughs> มาไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นดาบสองค <c oughs> มเข้ามาเพราะว่าคนนี้ตัดสินว่าถูกสอนถูกหรือไม่ถูกเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการซึ่ง เราก็ไม่รู้ว่ามีความเข้าใจผู้ศาสนาแค่ไหนเพราะเนี่ยไม่ควรจะเข้ามาควบคุมใช่ไมถึงแม้เจตนาจดีแต่ว่าอาจจะกลายเป็นปัญหาได้คือก็ให้ให้ภาครัฐมีส่วนที่จะสนับสนุนแล้วก็กํากับมีส่วนช่วยไม่ต้องกํากับเอาแค่สับสนนพออย่าไปกํากับ <c oughs> กํากับแล้วรัฐเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องผู้ศาสนามากเดี๋ยวกํา ก, กับไปผิดที่ผิดทาง ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่ า, าควรมีแนวทางการบริหารจัดการด้านการเผยแพ่พุทธศาสนาโดยให้พระพุทธศาสนาได้บัญญัตใิในในรัฐธรรมนูญด้วยความเนี่ความคิดของท่านเนี่ยควรหรือไม่ที่ว่าเราจะบัญญัติไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติในรัฐธรรมนูญนะครับเพิ่งถามว่าบริจากเพื่ออนะไร มันญัติเพื่อจะได้เป็นเงื่อนไขให้รัฐเข้าไปสับสนศาสนามากขึ้นหรือเปล่าครับทนเ น, นี้ผมก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคือความคิดแบบนี้มันมีมันเกิดจากสมมติฐานว่าพุทธศาสนาเนี่ยอ่อนแอเพราะว่ารับไม่สับสนุนแต่จริงไม่ใช่หรอกเป็นเพราะว่าคณะสงฆ์หรือองค์กรสงฆ์เนี่ยอ่อนแอปล่อยปานแล้วเลยเอ ง, องเพื่อจะใช้ในการศกาเนี่ยทําไมต้องไปพึ่งไปพึ่งเงินจากรัฐบาลในเมื่อ คณะสงฆ์เ น, นี่ยไม่ช่วยเหลือกันอย่างที่อาจารย์ว่าก็มีวัดหลายวัดที่วัดรวยนะแต่ทําไมไม่ช่วยวัดจนคือคณะสงฆ์เราต้องช่วยกันก่อนนี่เราไม่ช่วยกันเลยเนี่ยเราก็ไปบอกว่าเอารัฐมาช่วยก็คือว่าเรากําลังไม่เรียนรู้การพึ่งตัวเองพระสงฆ์ก็เป็นแบบอย่างการที่จะช่วยตัวเองพึ่งตัวเองแต่ว่านี่ไม่ทําอะไรเลย ตอ น, นียตัวอย่างเนี่ยพราบาคณะสงฆ์เนี่ยก็ยัง<ช>มีมีพราบาอุปธรรมคุ้มครองก็มีมาตรานที่บอกว่าพระที่ทําผิดวินัยเนี่ยให้อํานาจรัฐเนี้ยเข้ามาจัดการพระผิดวินยัยจะเป็นหน้าที่หลวงไครโดยโดยตามวินัยก็คือเจ้าหน้าผู้ปกครองอ๋อใช่เ ง, ง, งี้ยแล้วทำไมทำไมต้องไปยืมมือคณะสงฆ์การเหมือนในไอ้ทำไมต้องไปยืมมืออํานาจรัฐแ<ช>สดงว่าการที่เราปล่อยให้มีพระ พระอามีรัชีมากขึ้นเนี่ยมันเป็นความบกพร่องของคณะสงฆ์เองในเมื่อรอัชชีมากแล้วไปยืมมือรันเนี่ยมาจัด ก, การรัชีเนี่ยมันถูกไหมในเมื่อมันควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะสงฆ์ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าความคิดแบบนี้เนี่ยความคิดว่าผู้าศาสตรอ่อนแอเพราะว่าร้ันเนี่ยยังทําไม่มากพอเยที่จริงไม่ใช่เป็นเพราะคณะสงฆ์ไม่ทําไม่มากพอมากกว่าผมทําไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วย กับการตราพระพรบนี้ให้กับการให้มีมาตรานี้เพราะมันจะทำให้ปัญหาเนี่ยมันมันแก้ปิดประเด็นปิดที่วิดทางมากขึ้นความคิดของท่านมีสอดคล้องกับท่านแสงจัน ง, งามผมไปเชียงใหม่มากความคิดคล้ายๆของท่านแสงจัน ง, งามท่านยังอยู่นหะรออายุมากนะอยุแปดแปดสิบแปดผมก็ไปที่บ้านของท่านว่าท่านกำลังี <c oughs> พึ่งหายป่วย ก็มีแนวความคิดว่าจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ได้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้เป็นศาสนาประจำชาตินี่คร mm hmm. ามนั้นอยู่ที่ อ, องค์กรคณะสงฆ์แนวความคิดที่ท้องกับพระอาจารย์พิสารเนี่ยครับเพราะฉะนั้นว่าการบัญญัติพระพุทธศาสนาไว้ในรัฐธรรมนูญจะเป็นก็ดีหรือไม่บัญญัติก็ดีก็เป็นส่วนเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าก็จะบอกเลว่าเสียมากก็ดีนะ เพรเสียมากกว่ดีอันนี้ผมก็เขียนบดความไว้แล้วก็วไม่เห็นด้วยยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอยู่ที่ประการสํรคาคัญที่ส<ช>ุดอยู่ที่บุากรองค์กรการบริหารการจัดการโดยโดยเฉพ า, าะมหาเถระสมาคมนะครับที่จะเป็นผู้ดําเนินการให้ด้านการเผยแผนเนี่ยเป็นสู่บรรลุถุงประสงค์ที่สําคัญที่สูุดขึ้นไปอ๋อนี้จริงๆนะผมว่า เราหวังหมาเฉยให้น้อยลงแล้วก็พยายามให้หมาเฉนต้องไปจาหน้าประจามหน้าแล้วก็ถ้าหมาเฉยประจามหน้าไปเนี่ยนะการเผยแพร่เนี่ยก็จะไปผูกไปฝ่าวิงกับหมาเฉยเพราะว่าหมา เ, เน่ยเป็นองค์กรที่ทำอะไรช้าแล้วก็ไม่มีกำลังที่ทำอะไรเพราะว่าต้องการเผยแพร่ต้องต้องกระจายไปให้องค์กรอื่น อาจจะต้องกระจายไปตั้งแต่ระดับท้องถิ่นเลยให้ไปถึงจังหวัดให้แต่ละจังหวัดนี่้าว่ากันเองให้แต่ละจังหวัดนี้มีองค์กรเผยแผ่ตัวเองแล้วก็ทํากันอย่างแข็งขันแล้วองค์กรเผยแผ่นี้ก็มารวมกัน ร, ระดับประเทศโดยที่มหาชนสมาคมก็แห้เพียงรับรู้ เพราะว่ามาติสมาคมไม่เป็นเป็นองค์กรที่ทําอะไรไม่ได้เลยผมก็เห็นด้วยว่าบางครั้งเช่นกำแหนผู้ใหญ่บ้านอำเภอเนี่ยเขาประชุมกันครั้งหนึ่งที่อำเภอหรือว่าเจ้าผู้ว่าจากกัจงหวัดเรียกในอำเภอประชุมที่จังหวัดเดือนละครั้งเดือนละครั้งหรือนประชุมประหลัดกระทรวงมหาดไทายเรียกผู้ว่าประชุมกันเดือนละครั้งหรือสองครั้งต่อสอเดือนต่อครั้ง แต่คณะสงฆ์เราเนี่ยปีประชุมครั้งไม่เกินสามครั้งไม่ได้ไเรียกไปจังหวัดวครับไม่เกินสามครั้งอันนี้เมื่อไปชุมแล้วเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ละตำบลแต่ละอำเภอเนี่ยก็มีความอึดอัดใ จ, จบางครั้งผู้ใหญ่ระดับจังหวัดเนี่ยเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นเราพูดให้ฟังเนี่ยบางที่ท่านไม่ยอมรับคือไม่ยอมรับฟังความคิดเหน็นนี่ปัญหามันก็สะสมแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอ ีน้ผมก็มีแนวความคิดและเจ้าเจ้าหน้าจังหวัดฉันซ่าก็มีแนวความคิดว่าทุกเดือนเนี่ยควรจะมีเรียกประชุมเจ้าหน้าอําเภอหรือเจ้าน้าบนทุกเดือนเพื่อมาคุยกันเรื่อง เ, อเรื่องกิจการนงาสง์แต่ละอำเภอเป็นอย่างไรโดยภาพรวมของแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอเพื่อปัญหาที่มันเกิดขึ้นจะได้ถกปัญหา แต่ว่าขณะนี้ไม่มีทั่วประเทศที่มีการประชุมอย่างนี้แต่ละเดือนไม่มีนี่จะแต่ริ้วทำเหรอยังปีเพียงแต่ผมคิดเนี่ยผมไปสัมภาษณ์ท่านมีนโยบายอย่างเนี้นยังไม่ทํำยังไม่ทําแล้วก็มาดูแต่ละจังหวัดก็ยังไม่ไดาทำแต่ว่าที่เรามองไปในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประชุมที่อําเภอทุกทุกเดือนอแต่ในอำเภอเขาประชุมที่จังหวัดทุกเดือนเนี่ยนันคือปัญหาเว่าถ้าว่าเอาแนวความคิดเนี้มา ประยุกต์ใช้แบบคารวาะผมก็เห็นว่ามันก็จะเกิดผลดีนะครับแต่เราประชุมคือได้มีปัญหามาตกกัไม่บ่อยถ้าระดับผู้ใหญ่ยอมรับความคิดเห็นของเจ่นุมของผู้นับผมเป็นตำบลเนี่ยพูดไปมันก็ให้ขคอยรับฟังปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขในระดับล่างไปประธานก็สะสมแต่ลำเภอรัสะสมปัญหาแต่ละจังหวัดก็สะสมปัญห า, าสส ม, มาทุกจงังหวัดก็มาสะสมเป็กกสสปกนก้อนใหญ่ คือคือผู้ใหญ่แล้วเนี่ยถือความคิดเห็นของผมในเองนะควรจะยอมว่าความคิดเห็นของผู้น้อยบ้างไปจะไปหาผู้ใหญ่เนี่ยถีอเราปัญหาที่มันเกิดขึ้นเล่าให้ฟังท่านก็ไม่ไปอยไม่ค่ได้เห็นด้วยไม่คม่อยอมนะในแนวความคิดของเรานี่ปัจจุบันที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับถ้าผู้ใหญ่ยอมรับฟังผู้น้อยบ้างหรือว่าให้เขาคิดเนี่ยผู้น้อยพูดไปแล้วเนี่ยบางท่านท่าน <c oughs> <c oughs> ก็มีอารมณ์ ผมในโปรตีนะพูดในที่ประชุมทุกครั้งว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นคืออะไรบ้างเห็นไหมว่าก็ได้ยอมเด้แล้วท่านก็รับฟังบ้างไหมรับฟังบ้างรับฟังไปตามตามบางครั้งก็รับฟังบางครั้งไม่รับฟังด้วยว่ามันก็สามารถไม่แก้ปัญหาอะไรได้เช่นพระมีปัญหาพระอรชีเลยพระพะะร้อมบวชพระเรียลัยพระทวดงพระ มันมีเครื่องรางของคลังมันมีโหมากมายเครื่องรางของคลังสักยันเจิมอะไรมันมันมีกละพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะผมพูดตรงเดียวเฉพาะจังหวัชดชายแดนซ้าของผมเนี่ยเรื่องพระพิคเนเนี่มันระบาดและผู้ใหญ่ทางระดับสูงก็เฉยๆนี่คือปัญหาอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นยากโยกซับซ้อนแต่ผมก็ได้รับการ ถามไม่ไว่าพระพิคเนตมันความเป็นมาอย่างไรเขาไปมาแล้วเห็นคนไปไหว้กันมากมายผม ก, ก็บอกว่าพระพิคเนตเป็นเทพของฮินดูที่พวกศาสนาอินดูก็นับรืออยู่โยก็ไปไหว้ก็ไปดูได้โยกไปดูได้แต่ว่ามันไม่ใช่รูปสักการะ ท, ทางพระพุทธศาสนาเป็นทางละรูปสักการะของฮินดูเขาไปโยกก็ส้งควรแต่มดระวัง พระพิเเนศตัวจริงคือผมผมชื่อเนศต้อง ม, มพูดด้วยว่าอระพิฆเนศตัวจริงคืออาตมาเองเนี่ยอตอเนี้พูดตรงตรงองค์เนี้ยพูดตรงตรงาโยมฉะนั้นโยมไปก็ดีไปคนจะไปคนดูแล้วก็ศึกษาดูาแต่ว่าไม่ใช่ลูกสักการะในทางพระพุทธศาสนาโยมอยากจะแหวงหาบุญ น, นอกศาสนาเลยไม่ใช่นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะอำเภอผมอำเภอเมืองจังหวัดเดียวมีลูกพระพิฆเนศขนาดใหญ่สามองค์ ทั้งนอนทั้งนั่งทั้งยืนออืนี่ครับมันก็เลยยากโยมก็เกิดความสับสนครับตอนนี้เรือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาะครับะนั้นผมก็จะอาแนวความคิดของท่าน น, นไปพิเคราะ์อีกที่ว่าเราจะดำเนินการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรตั้งแต่ท่านพูดว่าระดับท้องถิ่นระดับท้องถิ่นนเนี่ยคนจะมหาสิรธรรมกร ม, มกับจ่ายอำนาจให้ท้องถิ่น และเด็กตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยได้ทำงานได้มากขึ้นนะครับเป็นข้อที่ผมจะนำไปใส่ในงานวิจัยในครั้งนี้นะครับนะครับผมก็ขอขอบคุณของนิสิบัิตครับนี่ครับเช่นอาจารวิจิตอาจารย์ก็ขออนุญาตสัก15นาทีครับอาจารย์ใส่เลยเรื่องของการปกครองครับเป็นไงสภาพเป็นยังไงโครงสร้างปัจจุบันนะปัจจุบันท่านอาจารย์ว่าเป็นเป็นเป็นก็รวมสูงมันรวมสูงมากรวมเป็น แยกออกมาเลยคือมาชินสมาคมเนี่ยจำลองรูปแบบการปกครองสมัยการที่ห้ามาชินสมาคมเริ่มต้นสมัยการที่5ใช่ไหมครับรูปแบบการปกครองนี่ก็จะจำลองมาเลยเช่นมีเจ้าคณะมณฑลสมัยก่อนเนี่ยปกครองมีมีมณฑลไม่ใช่จังหวัดมณฑลก็มีเจ้าคณะมณฑลครับแล้วเจ้าคณะจังหวัดอำเภอ ทางโรคปกครองยังไงทางสงฆ์ก็ปกครองเช่นส่งทางโรคส่งคนไปเป็นเจ้าคณะบนคนทางสงฆ์ก็ส่งคนจากส่วนกลางไปเป็นเจ้าคณะไอ้ทางโรคเนี่ยส่งคนไปเป็นไปเป็นไปเป็นสมุหเทษฐาพิบนนะะับทางสงฆ์ก็ส่งคนไปเป็นเจ้าคณะมนค น, นใช่ไหมก็แม้ว่าแม้ว่าจอหลังเนี่ยบนคนหายไปเลอจังหวัด มาชสมาคมทางโลกก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ว่าทางมาชสมคมก็ยังเหมือนเดิมแต่ก็ยังคล้ายกับทางโลกมากเช่อนอส่วนกลางเป็นผู้กําหนดว่าใครเป็นเจ้าคณะจังหวัดใครเป็นเจ้าคณะภาคใครเป็นเจ้าคณะผลใช่ไหมฮะครับอันนี้เขาเรียกว่ามันรวมศูนย์มากแบบระบบราชการ ซึ่งอาจจะใช้การได้เมื่อร้อปีที่แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันเยอะศูนย์กลางเนี่ยหูตาไม่ทั่วถึงเพราะนี่ต้องกระจายหน้าและกระจายหน้าเนี่ยมีสมมุติจมีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณาตำบลเนี่ยจะต้องทํางานเป็นทีมเป็นกรรมการเจ้าคณะจังหวัดก็มี ต้องมีพระที่ทำหน้าที่อื่นรองรับเผยแผ่ปกครองอพุทธาสงฆ์ อ, อะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ทุกอย่างยังอยู่ที่เจ้าคณะจังหวัดอำเภอตําบลก็เหมือนกันใชมเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากิดว่าผู้จรงเผยแผ่เนี่ยนะเจ้าทณะจังหวัดก็ต้องมีมีมือมีไม้ที่ทำหน้าที่เผยแผ่มีมือมไม้ทำหน้าที่ศึกษา นะไม่ใช่ว่ารว่วอำนาจว้ทย่คนคนเดียวคือเจ้าคณะจังหวัดไม่หมายเพราะว่าถ้าเรามีเจ้าคณะจังหวัดปุ๊บเราจะต้องมีอบุคลากรที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นนายอ์ของของการบริหารอีกใช่เพื่อควาผู้ว่าก็มีอะไรมีเกษตรจังหวัดมีมีอะไรมีเกษตรจังหวัดมีป่าไม้จังหวัดใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่ามีเจ้าคณะอำเภอไม่ใช่ว่ามีเจ้าจังหวัดแล้วก็แค่มีเจ้าอำเภอรับผิดชอบต่อไปไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ได้มัน มันหนักแล้วเจ้าท่าจังหวัดก็แก่ใช่ไหมคือผู้ว่าก็ยังมีเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอที่ดินจังหวเกษตรจังหวัดที่ดินจังหวัดอะไรพวกนี้ไหมเขามีมือมีไม้เนี่ยเจ้าท่าจังหวัดก็ต้องมีแบบ น, นั้นไม่ใช่วันแมนโชใช่ไหมฮะผูว้ว่าก็ต้องมีกระทรวงรรกระทรวงย่อยกระทรวงย่อยอยู่ในระดับจังหวัดวัดอำเภอก็ต้องมีใช่ไหมฮะ ใช่งเจ้าอำเภอก็ต้องมีอย่างเหมือนกับคเจ้าใช่ทีนี้ปัญหาก็คือตัวบุลคลากรีอก็นเนี่ยไงก็เพราะว่าเราพรระเราคุณภาพเราน้อยคร<ช>ับแต่เราพวกนี่มันฝึกได้เทรนได้แต่ตอนนี้การสาพารณสุเนี่ยอ่อนแอมากรัดเลยพวกนี้ปัญหาอีกอย่างก็คือเรื่องของอาวุโสเรื่องของพรรษาเพอพระพรรษาน้อย เจ้าคณะก็ไม่ค่อยจะใช้ไม่ค่อยจะใช้ให้ไม่ค่อยจะใช้ให้มาทําหน้าที่เท่ า, ทาไหร่เพราะถือว่าเฮ้ยภาษายังน้อยอย่างนี้เป็นปัญหาแน่ๆคือคนมีความรู้อ่ะถ้ามีความรู้ความสามารถก็ไม่น่าก็สมัยพระหมหาสมพระเจ้าคุณพรยาวชราพยาวโรเนี่ยครันะเอาอย่างพ่อพิมลธรรมเนี่ยอายุไม่ถึงห้าสิบได้เป็นรองสมเด็กใช่ไหมฮะ สมัยพระมหาสมณเจ้ากรมยาวัชิโรสเนี่ยสมเด็จสมเด็จสมเด็จผู้จกฤษาจารย์เนี่ยถ้าเป็นสมเด็จอายุห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกสมเด็จนะเพราะท่านเก่งใช่ไหมฮะสมเด็จเพงเนี่ยท่านอายุท่านอายเท่าไรเนี่ยเป็นสมเด็จแล้วเพราะว่าเขาเอาความสามารถไม่ได้เอาภาษาภาษาเนีก็เรื่องหนึงภาษาเนี่ก็มีไว้เคารพแต่ว่าความการทํางานบริหารเนี่ยมันต้องอาใช้ความสามารถใช่ไหมฮะ ณปัจจุบันเรสังเกตดูว่าคนนี้ยังอันตาไม่ถึงยังเพราะนั่นแหละก็มันก็เลยเราก็เลยมีความคิดแบบราชาการเนี่ยก็คือว่าแล้วแต่อายุราชาการหายุราชาการสูงก็ค่อยๆเรื่องขึ้นไปแต่งตั้งข้ามกันก็ไม่ได้ ค, <อ>คืออย่างนี้ผมที่ผมเห็ น, นยคือรรษาน้อนเนี่ยคุณประสบการณ์ไม่มีที่พระพุใธญาเห็นว่าพระพุทธน้อยทํา ง, า, ง, งานมันก็ดั้ไม่มีประสบการณ์ อ่ะเนี่ย ค, คือคือจุดหนึงที่ผมเข้าใจเออแต่มันก็ไม่แน่ใช่ไหมครับที่เขไม่ได้ให้เราทำเนื้ว <มา S 1> ประยงค์คือเนี่ยผมว่าต้องทาเนี่ยเป็นคณะไม่ใช่วันแบนโชครับตอนหลังมาที่วัดมาจัดโครงสร้างของของคณะสงฆ์เป็นเป็นเป็น เ, นเนอ่อพรบสงฆ์ปีสองสี่แปดสี่สมัยจำพนศริตจำพนปจำพนปนะครับจำพนศริ ส, ง ส, รสรองพันหาร้อย เออจอมพลปอพิบูลสงครามที่สร้างวัดสีมหาธาตุสองสี่แปดสี่เพื่อที่ต้องการจะให้พศงไม่มีฝ่ายไม่มีธรรมยุทธ์าม่มีฝ่าอ <c oughs> <c oughs> ทีนี้อุปสรรคตรงนั้นมันคืออะไรครับแดนอุปสรรคของการที่เราปกครองกันระหว่างสองสองฝ่ายเวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะถามว่าทําไมก็เพราะว่าฝ่ายคือรัชกาลยี่ห้าเนี่ยต้องการให้ให้มีการรวมนิกายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าพะมาสานพระเจ้าไม่ยอม พรมะมหากษั้ริย์ไม่ยอมความยึดติดเรื่องเรื่องนิกายก็มีสูงมากใช่ไหมฮนะเพราะเขาชื่อว่าหมานิกายเนี่ยเป็นอนอสัมพันธ์นะก็ไม่ยอมรวมใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าความพยายามที่จะรวมนิกราย ม, มานานตั้งแต่สมัยัารที่ห้าแต่พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นน้องในกาลที่ห้าไม่ยอมครับไม่ยอมรู้ใช่ยังไง สุดท้ายมาก็มาเป็นพยายามที่จะให้ให้รวมกันจนได้คือสร้างวัดขึ้นมามให้ให้ให้ไปอยู่กันคนละแต่ก็ไปแบงง่งกันอยู่ดีใช่ไหมครับไม่งั้นตรงนั้นไม่ประสบความสำเร็จถือว่ า, าโครงสร้างการปกครองตรงนั้นก็ถือว่าล้มเหลวไปการ <ไง S 1> พยายามหลบนีการก็ล้มเหลวแต่ว่าโอเคไม่ต้องหลบหนการก็แต่ว่าพยายามให้แต่ลนิกายเนี่ย<ม>เขามี การศึกษาให้มีคุณภาพแต่มันก็มีปัญหาการปกครองก็ไม่ดีละล้ลวมมีการวิ่งเต็นใช้เสน้นสายการใช้เสน้นสายเนี่ยมันทำให้คณะสงฆ์เนี่ยเสื่อมโทรมได้รุดสุดมากเพราะว่าเอาคนไม่มีความสามารถก็เหมือนหล ง, ง, งพ่อปัญญาพูดว่าที่ได้เป็นพระธรรมโกษาจารย์เนี่ยไม่ใช่เพราะมหาเถรคับพิจารณาให้เรานะ เพราะว่าถ้าให้มหมาเถรพิจายรณ า, าให้เนี่ยไม่ได้หรอกอืมเพราะว่ามหาเถรพิจารณาเฉพาะผลงานที่เป็นสิ่งก่ อ, อสร้างเราปกครองด้วยพวกพราะปัญญาบอกนี่นายหลวงให้ตรงๆเนี่ยพ ว, พวกพ่ปกครองด้วยเ อ, อถ้ายอย่างนี้โครงโครงสร้างการปกครองของเรานี่เขาต้องปรับเปลี่ยนเนาะโอมันมันต้องปรับมันานแล้วต้อปรับเปลี่ยน ถ้าเราถ้าเราจะปรับเปลี่ยนอย่างนี้แล้วจะมีผลกับหะเล็กๆน้อยๆที่อยู่ข้างล่างไม่มีผลหมายถึงว่าไม่ไม่เกิดผลเสียแต่ว่าก็จะเกิดผลดีไดซ้ำจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นไหมครับ เ, เป็นไปได้เพราะว่าพาเนี่อ๋อเรื่องจากการปกครองในจับวัดเลยเนี่ย พระหลายรูปพระหนุ่มก็ท้อแท้เพราะเจ้าว่าแช่มน้าคือมันมีการแช่มน้าไล่ลงมาเลยจังหวัดมาอำเภออำเภอมาตำบลตำบลมาเจ้าว่าเจ้าว่าก็แช่กระลูกวัดแล้วก็พระหนุ่มในน้อยก็หลายคนก็สึกไปเพราะมีปัญหาเจ้าว่าเจ้าว่าไม่สับสนุนใช่มี่มเชื่อว่าถ้ามีการปกครองที่ดีเนี่ยมันจะมีคนทำให้ กับปกครองไม่ทั้งระดับล่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคืบางครั้งมองวัดไงการปล่อยป่าแล้วเลยเออก็อทําให้พระท่านอยู่สบายท่านจะอยากอยู่เยอะๆวัดนั้นจะมีพระเยอะมากใช่ไหมอยู่สบายอย่างงี้หลวงไปไหมเนี่ยหลวงเกินไปก็เจ้าคณะอำเภอเจ้าห้าที่วัดไม่ปวดขวัญก็มันก็มีแบบนี้น ะ, ะผมสังเกตดูว่าพระท่าน เจ้าาท่านก็ไม่สนใจลูกพัดจะอยู่ยังไงจะอยู่ไปอยู่ไปเถอะฉันจะสร้างอย่างเดียวฉันจะเอาสมณศักดิ์อย่างเดียวฉันต้องการตําแหน่งอย่างเดียวอย่างนี้ว่าใช่ไงระบบมันเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ไงก็เป็นระบบการระบบระบบการให้สมณศักดิ์ไม่ได้เอาไม่ยวัตถุการสร้างเนาะเอาการศึกษาเอาคุณภาพของพระเอาการสร้างพระเนี่ยเป็นหลักเพราะจุดมุ่งหมายของของสงฆ์เนี่ยก็คือพัฒนาคุณภาพคน แรื่องในการสารเนี่ยเป็นอันดับรองๆองของหน้าที่รพระสังฆาริการหน้าที่แรกคือการบริหารกับปกครองและการใช้อำ น, นาจมีมีอีกข้อหนึ่งครับอาจารย์มันเป็นเขาบอกว่าการบูรณาการศาสตร์การบริหารสมัยใหม่กับหลักธรรมของเราจริงๆแล้วหลักธรรมของเรานี่ จะต้องไปบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ด้วยก็โลกธรรมก็หลักธรรมเรามันก็เอามเอาบูรณาการได้บูรณาการด้ความหมายคือว่ า, เ, าเช่นสมมติว่าการปกครองเนี่ยต้องอาศัยความรู้สมัยใหม่การบริหารใช่ไหมฮะแ ต, แต่ว่าให้มันวางอยู่บนหลักของพระธรรมวินัยมันก็ทำได้อย่างเช่นเรื่องของธรรมาพิบานเนี่ย มันก็เป็นหลักการปกครองอย่างหนึ่งใช่ไหมครับหลักการบริหารอย่างนึ่งเรียกแต่ว่าอะทำอภิบาลมันก็มีอยู่แล้วนี่ในหลักทางของเรามันไม่มีมันมีแต่หลักการกว้างมันมีตรงไหนฮะในในในของก็สุดจริตนะครับไมสุดจริตใช่เป็นหลักการไงแต่ว่ามันก็ต้องออกมาเป็นรูปแบบครับเอารูปแบบเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความรู้ทางโลกมามาวางรูปแบบแต่ให้อิงอยู่บนพื้นฐานของธรรมะ ก็ถ้าบอกว่าเราต้องมาสร้างทฤษฎีการบริหารให้เกิดขึ้นจากจากหลักธรรมที่เรามีมคือหลักธรรมเนี่ยมันเป็นแค่นามาทำแล้วต้องทำให้เป็นรูปธรรมรูปธรรมเนี่ยบางทีเรต้องหยิบยืมมาจากฝรั่งคทุกอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นของใหม่โรงเรียนเป็นของฝรั่งสมัยก่อนใช้ว่าสครูใช่ใช่ไหมสมัยก่อนเราเรียนตามสมณานนะโอ้โหเดิน วิ่งลอกเลยนะเดี๋ยวเช้านี่ไปวัดอรุณตอนบ่ายไปวัดมหาธาตุตอนเย็นไปวัดสมอลลาย <S 2> <S 2> โค้โเหนือ่อง เ, เห็นไหมก็ตั้งโรงเรียนซะเลยนี่วิธีแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่สามารถจะให้คนเนี่ยได้เข้าถึงธรรมะได้ก็เนี่คือเราวิธีของฝรั่งเลยแต่บูรณาการให้มันเป็นเรียนเพื่อธรรมะคือหมายว่าเราวิธีการฝรั่งมาเนี่ยวิธีการสมัยใหม่มาเอารูปแบบแต่ว่าวางอยู่พื้นฐา น, น ข้อสุดท้ายครับอาจารย์ขอสรุปขอพระอาจารย์สรุปว่าเราจะมีแนวทางในการปกครองที่ดีขึ้นเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาของเราอย่างไรคือท่านจะคุณ ท, าทํานเป็นต้น่าเสมอนะฮะว่าปกครองต้องเพื่อการศึกษาชอบปกครองผู้ปกครองเนี่ยล้มเหลวเพราปกครองปกครองจะแช่อำ น, นาจ แต่ตปกครองก็เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระสงฆ์นะซึ่งอันนี้เป็นเป็นหัวใจของคณะสงฆ์ตั้งแต่แรกคณะสงฆ์มีขึ้นเพื่อศิกขานะก็คือการศึกษาดังนั้นะตัปกครองเนี่ยไม่ใช่ปกครองเพื่อไม่ใช่ปกครองโดยใช้อำนาจเพื่อทำให้ไม่ต้องทําอย่างนู้ห้ามทําอย่างนี้ใช่ไหมแต่ต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการศึกษา การศึกษาในที่ น, นี้เนี่ยไม่ใช่การศึกษาในรูปแบบเท่านั้นศึกษาศึกษานอกรูปแบบก็ได้แต่ตัววัดความสาเร็จการศึกษาของการปกครองเนี่ยก็คือคนมีคุณภาพดีขึ้นไม่ใช่มีพระมากขึ้นเข้ามา KPI เนี่ยนะต้องอยู่ที่ <K PI. S 1> คุณภาพของคน <K PI. S 1> ของพระของเนรนะไม่ใช่สร้างโน่นสร้างนี่หรือไม่ใช่ว่าแช่งอำ น, นาจ ตอนที่การปกครองเนี่ยเป็นไปแบบสาการห้ามโนนห้ามนี่โดยใช้อำนาจใช่ไหมฮะทำงานหรือยาถ้าเราการปกครองเพื่อการศึกษาเนี่ยมันไม่ต้องห้ามเพราะว่าพรานี่ถ้ปกครองตนเองได้มีอาจาระนะมีพ อ, อใจในชื่อตประจำรย์ท่านก็สามารถที่จะกครองตนเองได้ไม่ต้องใช้อำนาจไปกํากับควบคุมครั บ, รบผมว่าตรงนี้นี่คือสิ่งที่มัน ผิดพลาดกับปกครองคณะสง์เนี่ยเป็ น, นเรื่องการใช้อำนาจมากกว่าที่จะส่งเสริมเพื่อการศึกษาปกครองให้ปกครองเพื่อปกครองไม่ดีแน่นอนปกครองให้ให้อยู่ในโอวาสใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่อยู่ในโอวาก็คือก็อยู่ในกรอบที่ผู้ผู้ปกครองกำหนดไว้แต่ถ้าคนมีการศึกษานะเขาครองเข า, ข า, ขาปกครองตัวเองใช่ไหม เขาก็จะดูแลตัวเองได้อีกอย่างหนึ่งครับพระอาจารย์ในในปัจจุบันเนี่ยเราเราเราไม่ได้คัดกรองผู้บวชเราก็จะไปเจอพวกที่บวชมาไม่ได้เพื่อศึกษาพวกนี้จะปกครองอยางกใช่นี่เป็นปัญหาคือต้องการต้องมีการกันกรองและมีการกล่อมเกลา้าและมีการมีการเอาออกกันกรองเอากันกรองนี่ก็อย่างที่ ที่การบ้านเนี่ยกัดกองเจยต้องกล่อมเกลคือการศึกษาใช่ไหมแล้วก็มีการใครไม่ได้เรื่องก็เอาออกเหมือนกับหาสมุรที่พัดพาซากศพขึ้นฝังเดี๋ยวนี้นกลไการกันกองก็ไม่มีกันกองเช่นว่าเอากองมา บ, บวชก็มาอยู่ก่อนให้มาดูก่อนว่าพฤติกรรมเป็นยังไงตรงนี้ไม่มีใช่ไหมยาบวชก็พุ่งนี้บวชเลยสวดยังไม่ได้เลยนะ ส่วนง่ายอันนี้บวชง่ายหนึ่งไม่มีการกั่นกรองสอไม่มีการกล่อมเกลานะไม่มีการก่อมเกลวนแล้วก็ไม่ได้สอนอะไรแล้วก็มีการเอาออกคัดกรองออกไปคัดกรองก็คือว่าไม่ได้เรื่องก็เอาออกไปซะทีนี้ก็คารคาซังอยู่นั่นแหะเป็นผาสมุทรที่ไม่ทํางานแล้วคือไม่ไม่ซัดซากศกขึ้นฝั่งแล้วนนน้้ําก็ผู้ปกครองท่านว่าไม่เป็นไรเมตตามัน เมตตามันให้มันอยู่เอาให้โอกาสนั้นก็ถูกแต่ว่าก็ต้องดูแลสิดูแลอยู่ในสายตามไม่ใช่ปล่อยปล่าเลยเห็นช่ไหขับรถออกไปพินณุบาตรนับตังบินทาง <g ül> แล้ <g ül> แลอก็อ น, นี่แหละก็ผู้ถามถามสมเด็จสมเด็จอ่าพระพุตรอาจารย์สมเด็จบอกนั่งมเรื่องของตำรวจให้มันจัดการขั้นโอ้เนี่ ย, ตออต <g ül> ยแต่ลูกออกตลอดเวลาเนี่ยคณะสงฆ์เนี่ยแต่ลูกออกใช่ไหม ก็เลยมีคบรออุปถัมภุมคองเนี่ยพระไม่ดีก็ตำรวจจับไปทำไมคณะสงฆ์ไม่ถือว่าเป็นหน้าที่ของตัวใช่ครับผมว่าเอ๊สมเด็จทำไมปัดก็เนี่ยใส่รู้ออกทุกเดี๋ยวนี้ใส่รู้ออกทุเรื่องสมเด็จปัดเอาเลยเอแทนที่ผมจะได้แนวทางในการที่จะก็ไปแล้วมาไปถึงท่านยังไงไปรบท่้นที่ไหนที่วัดไตมิตรนะครับ วัดไตมิตรเข้าถึงเหรอก็พอดีมีพวกพอเข้าได้ครับพอได้ทพวกพอเข้าได้เป็นหลานท่านอครับเป็นหลานท่านอก็มีเส้นเหมือนกันครับพอเข้าไปได้อยู่ก็เลยไปถามท่านท่านก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ไอคอกไอแคคก็สัมภาษณ์กันไปครับประมาณสี่สินาทีสัมภาษณ์นี่เหรอครับเพื่อนญี่ปุ่นนี่เหรอครับอ้สัมภาษบอกสมเด็ขออนุญาตมีอยู่สี่ข้อเองครับ พูดมผมก็อย่างเงี้ยครับผมก็บอกกมีก้าว่ะกล้าวไหมผมกล้าวเกินไปแล้วครับผมเลยอ่ะผมก็ผมอย่างงี้ยนะก็กันเองกันเองอย่างเงี้ยนะในนั้นเราก็เกรงใจท่านอยู่ด้วยครับเกรงใจผมเด็จอยู่ท่านก็ไม่สบายก็นั่นเนี่ยท่านก็คงหมดแรงแล้วก็เลยบอกว่าให้ให้ตํารวจจัดการครับตํารวจก็ไม่กรจัดการเพราะตำรวจเที่เป็นเรื่องของสงฆ์แล้วท่านก็พูดถึงท่านเจ้าวาดนั่นแหละเจ้าวาดต้องต้องแข็งแรง ต้งแข็งแรงถ้าเจ้าวาดไม่แข็งแรงก็อ่อนไปหมดปกครองก็ปกครองยากถ้าเจ้าวานไม่แข็งแรงเขาจะปกครองผู้ที่อยู่ใต้การดูแลยากคือหนึ่งแข็งแรงว่ะของของของสมเด็จก็น่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาไม่ใช่เรื่องของกําลังเรื่องของการศึกษาน่าจะจัดอบรมจัดปฏิบัติอะไรมากกว่าเรื่องคือพูดรวมกันถึงเรื่องการเผยแผร่ไปด้วยเนกะ็เลยผมก็เลยคาบเกี่ยวขอ ปกคองด้วยครับสรุปรวมแล้วก็สรุปเรื่องตอนท้ายว่าให้พรบรใหม่เนี่ยพายการเห็นด้วยไหมพรบอะไอ ร, รอุปสมุขคลองครับก็ที่ผมบอกผ ม, มเห็นด้วย <c oughs> เพราะว่าเป็นการปฏิสบปฏิเสธ็ความรับผิดชอบของคณะสงฆ์ปัญหาอะไรที่เกี่ยวคณะสงฆ์ให้อำ น, นาจรับจัดการครับอย่าเอาเชือกมาผูกคอตัวเองอก็เนี่ยก็เนี่ยพระขับรถก็ให้ตํารวจจัด ก, การคใช่ไหม มันเป็นหน้าที่ของพระที่ต้องควบคุมมันเองก่อนคือพระขับรถก็ผิดกฎหมายใช่มครัแล้วมันผิดที่ไหนวามันเหมาะสมไหมมาโลกกวัชช้าไหมอันนี้เป็นเรื่องของพระไอ้เรื่องผิดกฎหมายก็เป็นเรื่องตํารวจเรื่องโลกกวัชา้าเป็นเรื่องของพระก็ต้องจัดการคือทีนี้เขาเกียงกันอยู่ไงกาเกียงกันอยู่ว่าอย่างอย่างเรื่องของธรรมชายโยที่ศาลยังไว้ตัดสินพระก็ยังไม่รู้จะไปทำอะไรไงก็ศาลศาลจะตัดสินเรื่องของโลก แล้วเรื่องทางทางทางทางํทาทําวินัยผิดไหมก็ถึงว่าไงก็ต้องกล้าตัดสินใช่ไหก็ต้องรอศาล ต, ตัดสินก่อนฮะเอานั่นแหละก็ก็ <c oughs> ก็รู้อยู่แล้วว่าครับเขาอยู่ฝ่ายธรรมกายอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บ่ายเยบียงแบบนั้นก็เข้าใจว่าเป็นเกมแหละครับที น, นี้แหม่มันจะดูหน้าทําไมแล้วพลรลบบแต่และแต่ละอย่างออกมาออกมาก็อืมดูเหมือนจะไม่ได้ปฏิบัติตามพหลบบเท่าไหร่อย่างเช่น ไม่ต้องพอรบเขาเอาแค่กฎมหาเถรกฎมหาเถรหรือคำสั่งมหาเถรที่ออกมาเรื่องของรูปเคารพที่อย่างที่หลวงพ่อเขว่าห้ามสร้างรูปเคารพใหญ่กว่าพระประธานเ อ, อในโบสถ์อันนี้เมื่อไหร่พอต<อ>ั้งแต่พศ ส, สี่สองสี่สี่เท่าไหร่ไมมสี่สี่ครับสี่สี่หรือสี่ห้าเนีครับตั้งแต่ผมบวชผมบวชพรรษาแม่มาเถรสมาคมก็ได้แต่ออกคําสั่งอ่ะแต่ว่าเรือออนโยบายได้ ไม่มีน้ำยายทําอะไรครับผมก็เห็นสร้างนั่นเกินไปหมดผมบอกอ้าวแล้วปกครองกันยังไงปกครองแบบไหนเนี่ยทาไมปล่อยให้สร้างอย่างนี้ล่ะหนังสือออกมาทําไมออกมาเหมือนเป็นกระดาษเปล่าก็ออกเสื้อกระดาษไงกระดาษเปล่าเพราะฉะนั้นผู้ปกครองผู้ปกคร อ, องข้างบนจริงๆก็ไม่ได้เอาเรื่องเอาเอาอะไรสักเท่าไหร่ก็เพียงแต่พอเขาไปร้องเรียนก็ อ, ออกคําสั่งมาทีนึงพอเขาไปร้องเรียนก็ อ, ออกคําสั่งมาไม่มีมือไม้ แล้พระวินเทยาธรมีเอาไว้ทําอะไรก็จับพวกพาตั้งอาไว้ยทำอะไรเป็นตํารวจพระใช่ไหมก็เห็นพระบินทบาทกันยันเที่ยงวันยังเกลือนไปหมดยังมีอยู่อ่ะนีครับที่ไหนมีครับขาเชิงาวก็มีแถวชายแดนกรุงเทพเยอะแยะหมดกรุงเทพมีเหรอมีครับแถวมีนแถวอ๋อรองลองลองลองนอกนององอ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในเมืองนี่เขาเขาไม่ยอมแล้วเขาถ่ายรูปขึ้นเฟซบุ๊กต่างต่างแต <c oughs> ่เบอกอุย้ยนี่การปกครองสมเนี่ยปล่อยป่าไดเลยมากแล้วบางครัาชาวบ้านกับชาวบ้านเ้ายังเดือดร้อนแทนสมทําทไมเจ้าวาดปล่อยไม่อย่างนี้คือมันพลาดแต่การศึกษาแล้วการศึกษาเนี่ยการศึกษาอ่อนแอก็เลยมีภาพแบบนี้ขึ้นมาเยอะเสร็จแล้วก็มากจนกระทั่งการปกครองคุมไม่ไหวและพราที่เป็นผู้ปกครองก็ ใช้เส้นสาย<ช>ไม่ได้มีความสามารถใช่ใช่ใช่ไหมใช้เงินซื้อก็เขาไม่จสนใจเลยตัวเนี้ยแค่แค่ทําบบผมการบริหารจัดการก็ต้องเปลี่ยนโครงสร้างอย่างที่อาารว่าอันไหนไม่ดีทำให้มีธรรมพิบานมากคือพระสงเนี้ยพรบสงเนี่ยขาดธรรมพิบานมากต้องมีผู้ตรวจการแผ่นดินไหมอาจารยไม่ธรรมพิบาลธรรมพิบายนคือว่ามีการตรวจสอบภายใน ทชไมเราทำให้โปร่งใสทำให้พิ บ, พบาแนะว่าโปร่งใสโปร่งใสเพรว่ามีการตรวจสอบภายในแล้วก็ข like ้อมูลเปิดเผยเช่นเรื่องเงินเปิดเผยไดบัญชีบัญชีว่าเปิดเผยได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องติดประกาศแต่ว่าขอดูได้ไหมขอดูไม่ได้ไม่ได้อันนี้ก็ไม่โปร่งใสไงก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยตำมาพิบายนะครับชาวบ้านต้องมีส่วนร่วมอลูกวัดต้องมีส่วนร่วมบัญชีเนี่ยดูได้ทุกเวลาใช่ไหมครับแต่ไม่มันต้องเปิดเผยใครอยากดูก็มารดูอ่ะ ก็ขอแซงนิดน่อผมก็ไปที่แล้วผมก็ผมเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประชาอเภอแวนยาไปขอตัววัดน้ำคเกตโอโหทั้งลูกวัดทั้งเจ้าวัดโอโหผมมาหาผมไม่ที่มีตำแหน่งนี่หรือผู้ตรวจผู้ตรวจบัญชีครับผมผมจะไม่มีไม่มีตำแหน่งแล้วครับเพียงแต่ว่าคือฉันจะต้องส่งบัญชีทุกปีไงครับให้ของตําบลใช่ไหมของตําบลผมเป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบทุกวัดในเคอเพิ่งพ่งร่วมมีกรรมการแบบนี้เขาจะตั้งมาไอ้มีทุกมีทั้งประเทศเหรอคือตั้งคือจังหวัดเขาจสั่งเพื่อมาให้ตั้งกรรมการกอคําสั่งเฉพาะผมไม่เคยรู้เลยเฉพาะเฉพาะวขาก็ตัวไม่ยอนะเพราะขอดูบัญชีอ้าบัตรสมุดเงินฝากบัญชีแล้วก็บินไอสามะบินบัญชีสมุดเงินฝากเนีเวลาจ่ายมันจะพร้อมกันรายรับรายจ่ายมันจะมันจะบาลานซ์กันมันจะมีหมายเลขคํากลับ ก็ให้ตรวจสอบวะโหผมนึกเสือไหวัดที่ไม่ให้ตรวจสอบถ้าทํำจริงนี่ระวังนะก็ปืนยิงเลยใช่ไหมฮะเออเขามีมาเฟียยิงนะโหยถ้าเกิดไปขุดคุยมากๆเนี่ยคือเข้าใช้จ่ายคือเราต้องรายงานใช่ไหมเราต้องรางานส่งเพื่อรายงานส่งเพื่อวัดไหนทําไม่ทําผมก็บอกว่าถ้าผมถามแล้วท่านไม่ไม่ทำก็ผมก็ไม่วังานผมก็ต้องรายงานไปตามความจริงแต่นี่ไงคือความโปร่งใสชมาพิบาลเนี่ย มันต้องพนักสงฆ์นี่ต้องต้องทําอ่ะถ้าไม่มีมันก็ไม่ต้องพูดแล้วอย่างเรื่องอย่างอื่นคือเป็นปัญหาเรื่องของวัดแต่ละวัดเรื่องบัญชีนี่เป็นปัญหามากก็ใช่เป็นปัญหามากแล้วเราก็ต้องส่งผมเนี่ยผมส่งสองครั้งผมส่งคานักพุทธจังหวัดอ่ารายงานในตุนกันยายนผมส่งไปอ่าครั้งนึงนะแล้วปีใหม่ผมจะต้องส่งทําบัญชีส่งจังหวัดอีกทำสองครั้งปีอสองครั้ง ในการประจําปีเรื่องเรื่องเงชีของวัดเนี่ยอืเนี่ยผมก็ต้องทําสมบุกสมนต์แล้วว่าผมเป็นกรรมการประจําเคยไปตรวจสอบแต่ละวัดเนี่ยยากครับที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็ไม่ให้ตรวจสอบทีกไได้ก็ได้ข้อมูลจากผู้อาจารย์พอสมควรครับเพื่อเพื่อที่จะไปวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็ไปสังเคราะห์กันระหว่างที่สัมภาษณ์กันมาของผมของผมสัมภาษณ์เสร็ สิบรูปคนน่าจะต้องไปทําแบบสอบถามนีครับแบบสอบถามเจ้าว่าเพื่อที่จะทําเป็นเชิงปริมาณส่วนของหลวงพ่อนี่สัมผัสล้วนๆยี่สิบรูปคนคนละแนวเหรอครับเพราะอาจานที่ปรึกษาคนละคนครับอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันครับแต่ต้องทําคนละแนวเพราะว่ามันเรื่องมันใกล้เคียงกันมากแล้วเมื่อไรเสร็จครับก็น่าอยู่สักหกเดือนประมาณ6กเดือนเนี้ยเดือน มันก็ปวดหมักอยู่เหมือนกันนะครับครับต้องไปคุณแล้วก็ขออนุญาตเอถ้าผมไปคุณเจอเอกสารของผ้าจารยนก็ขออนุญาตอนี้นิมนเลยนิมนนะผมอ้างอิงไอเล่มนักพูดสาวสาชันะผมพูดเรื่องนี้ไปเยอะแล้วก็ขออนุญาตไปนาทีนี้นะครับขอกราบขอพ่อคุณพระอาจารย์ยินดีครัยินดีครับผมต้องเซ็นไรบ้วางไม่ต้องไม่ต้องเซ็นอะไรครับไม่มีเหรอขอแค่บันทึกเสียงไว้เท่านั้นทำไมคิดว่ให้เซ็นอะผมขอบคุณครับ